ด้วยอำนาจอธิจิตอย่างอ่อนๆ อ, อ, อธิจิตหมายถึงการฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งไม่เดละเป็นแต่กั้นกิเลสเอาไว้ด้วยอำนาจอธิจิตอย่างอ่อนๆที่เรียกว่าอินทรียสังวรเป็นข้อปฏิบัติที่ต่อจากศีลควรสงเคราะห์เข้าในกองสมาธิแต่ก็เป็นข้อปฏิบัติ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 เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีอารมณ์หกส่วนที่ไม่ดีคืออนิจฐารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายไม่ชอบโกรธเคืองควรทำในใจยยกขายเช่นนี้ทุกๆอารมณ์ถามว่า